1.11 การใช้สติและปัญญาในการเจริญวิปัสสนาวงเล็บเปิดมกราคม2 5 5 1ในวงเล็บสองวงเล็บปิดมีสติรู้กายมีสติรู้ใจคือรู้ถึงการมีอยู่ของกายของใจมีปัญญารู้กายมีปัญญารู้ใจคือรู้ความจริงของกายของใจเพราะฉะนั้นรู้ถึงการมีอยู่ด้วยสติรู้ถึงความจริงคือความเป็นไตรลักษณ์ด้วยปัญญา คำว่ารู้ในสติปัฏฐานจึงม <breakup> ีสองอย่างซ้อนกันอยู่อย่างท่านให้ดูเวทนานะเครื่องหมายคำพูดเปิดภิกสุทั้งหลายเมื่อมีความสุขก็รู้ว่ามีความสุขมีความทุกข์ก็รู้ว่ามีความทุกข์เฉยๆก็รู้ว่าเฉยๆปิดเครื่องหมายคำพูดท่านไม่ได้สอนนะภิกสุทั้งหลายให้รีบหาความสุขภิษุทั้งหลายให้รีบปฏิเสธความทุกข์ท่านไม่ได้สอนเครื่องหมายคำพูดเปิดภิษุทั้งหลาย จิตมีราคะให้รู้ว่าม uh ีราคะจิตไม่มีราคะให้รู้ว่าไม่มีราคะปิดเครื่องหมายคำพูดเห็นไหมกิริยามีแต่คำว่ารู้ท่านไม่ได้สอนว่าภิกษุทั้งหลายห้ามมีราคะภิกษุทั้งหลายถ้ามีราคะแล้วรีบละไวไวเนี่ยพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนท่านสอนเครื่องหมายคำพูดเปิดภิกษุทั้งหลายจิตมีราคะให้รู้ว่ามีราคะปิดเครื่องหมายคาพูดรู้ว่ามีราคะรู้อย่างไร รู้ด้วยสติรู้ว่ามีราคะเกิดขึ้นมามันเห็นราคะเกิดขึ้นมาผุดขึ้นมาแล้วสติก็รู้ทันไปนี่แอบแปลกปลอมเข้ามาก็รู้สติเหมือนยามเฝ้าบ้านนะผู้ร้ายเข้ามาก็เห็นรู้ด้วยปัญญาก็เห็นว่าราคะนั้นไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่จิตไม่ใช่ใจของเราด้วยแต่เป็นแค่สิ่งแปลกปลอมเข้ามาให้ใจไปรู้เข้าชั่วครั้งชั่วคราวแล้วก็ผ่านไปนี่รู้ด้วยปัญญาฉะนั้นฝึกไปนะมีแต่คาว่ารู้ จิตมีราคะรู้ว่ามีราคะจิตมีโทสะรู้ว่ามีโทสะพระพุทธเจ้าไม่ได้บอกว่าภิกษุทั้งหลายห้ามมีโทสะภิกษุทั้งหลายมีโทสะแล้วรีบละไวไวไม่ได้สอนอย่างนั้นนะแต่สอนให้รู้เพราะฉะนั้นถ้าเมื่อใดเราทำกิจกรรมที่เกินจากรู้นะจะไม่ใช่วิปัสสนาแท้ๆแล้วจะกลายเป็นบังคับตัวเองสังเกตไหมว่าเราจะทาคาว่าในเครื่องหมายคาพูดทา จะทำอะไรสิ่งที่ทำขึ้นมาทั้งหมดถ้าไม่บังคับกายก็บังคับใจได้แค่นั้นเองไม่ได้ทำอะไรมากกว่านั้นเลย